ทำะสุกันฟังพูดเรื่องเราทําอยู่นี่แหละเวลานี่เรากําลังศึกษาธรรมะเอากายเป็นตําราเอาใจเป็นตําราเอาสติเป็นนักศึกษากา้กายแหวกโศกยาวาหนาคืบนี้มันมีอะไรอยู่ที่นี่เยอะแยะความทุกข์ความดับทุกข์อะไรต่างๆให้รู้จักท่องทางที่ถูกต้อง อย่าใช่ชีวิตผิดผิดเราต้องฝึกหัดเรียนตนสอนตนโดยการเจริญสติสตินี่เหมืนเป็นระดับน้าเที่ยงของจิตจิตต้องมีระดับเที่ยงระดับมาตรฐานถ้าไม่สอนมันไม่ฝึกหัดก็ไม่มีมาตรฐานของจิตโปผูแพร่แพร่ไม่มีที่ตั้งไม่มีมาตรฐานใช่ไหมล่ะต้องให้ได้ระดับ พอส้งกวนเมื่อคิตได้มาสถานแล้วมันก็เป็นมิตรภาพมีคุณภาพมิตรภาพเหมือนถนนจากเบองพลไปหาคนเฉียนระดับถือแยวหน้าไม่เคยเพี้ยมเลยแต่ตรงนั้นเขาคำกับความเร็วเพราะมันทำให้คนหลงได้อ น, นั้นคือถนนทวนทาง ชีวิตของเราก็ไม่ควรจะมีทางเดินได้มันราบเรียบอย่าผู้ผูแพร่แพร่ล่มรายขมดีไม่มีอะไรไม่มีคลื่นชีวิตไม่มีคลื่นแม้มีเินเถ้าสรนเสริญสุขทุกเก็บแค่ได้ป่วยก็ไม่เป็นคลื่นของขิดได้ถ้าเราหัดดีๆเราถ้าเราหัดคอยจะรับอะไรใดอย่า แต่ากระเทือนนิดๆนหน่อยๆก็เปราะบางจิตใจของเราถ้าเราไม่เปลีกยนหอจะเประาะ่างเป็นอะไรได้ทั้งนั้นความรักของชังก็เป็นได้ความโกรธความโลภความหลงก็เป็นได้วิตกกงบนเศ้า ม, มองเครื่อเครียดอะไรได้ทั้งนั้นจิตน่ะสารพัสลรเพย์ซมสอนเถื่อนจิตเถื่อนนั้นก็คนเถื่อน มีขอบเ็ตเพราะว่าคนเรานี่มันมีจิตอะไรว่าปิญาณจิตมีความรู้อะไรได้ตราจึงต้องขูดขัดให้มันต้องไม่เป็นอะไรเท่านั้นอยากจะพูดคําเดียวเท่านั้นคือไม่มีไม่เป็นอะไรสภาพของจิตนะไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นอะไรรับอะไรทั้งนั้น แต่การประกาศจะต้องผ่านความมีความเป็นอะไรมากมายจึงจะไปถึงภาวะที่ไม่มีไม่เป็นอะไรเลยมันว่าสถานรักษาไดา้จิตใจเนี่ยจนได้เกิดพระพุทธเจ้าเกิดมรรผลนิพพานขึ้นมาเพราะจิตใจของคนเราไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานมันผึกได้สอนได้เอย่าปล่อยปะละเลยเอาประโยชน์จากตรงนี้จะได้อาศัย มันเป็นส่วนรวมเมื่อเราฝึกทุกคนฝึกหัดใจใจของตนก็เกิดเป็นส่วนรวมทั่วโลกไปเลยถ้าเราไม่ฝึกก็เป็นโทษของส่วนรวมอีกเหมือนกันจึงมีศาสนามีคำสอนในวัฒนธรรมมีประเพณีที่คอยเป็นลั่ล้องไว้ไม่รู้อำนาจของลั่ขอบเขตของ ายของใจของวาจารมันต้องไม่รู้่คือศีลคือสมาธิคือปัญญาผู้ใดรู้จักสํารวมจิตผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงอย่างมานันผู้ใดมีสติตุกเมื่อมัจจุราชก็ตามไม่ทันจิตที่ฝึกดีแล้วดังความปกติมาสู่ตนนี่เราอาศัยมันได้ั้ยจิตแถ้าเราไม่ฝึกเก็จะทิบแทงโดยอยู่ เรื่องเก่าๆย้อนคิดจำคิดโดยเพราะเรื่องความทุกข์อ้อมชิดเจ็งไม่ลอยแพไม่ลอยบาบลอยแพไปเลยอย่าให้เป็นมาจอนมาไม่จอนรับรความโกรธความโลภความหลงเป็นคันตุกะจอนมาเป็นข้างเป็นข่าวเพราะอะไรเพราะเรารับมาทีไรก็ยอมรับ เป็นสุกก็เป็นสุขไปหอวรับแล้วเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปยอมรับแล้วโกรธก็รับโกรธไปหลงก็รับความหลงไปมันก็มาเรื่อยถ้าเรามีสติเป็นเจ้าของเจ้าบ้านเจ้าเรือนมันก็มีสิทธิ์ไม่ต้องรับอะรดามันก็ปกติอยู่เป็นนิจย่อไม่หวั่นไหวก็เด่นคอนเชนเหมือนภูเขาศิลาทั้งเล็บไม่สะเทือนเพราะลมแขนได ผู้ฝึกตนเดล้วไม่หวั่นไหวเพราะเน้นสาสันเสริมเพราะโลกมันมีรสชาติในโลกเนี่ยมันมีรสชาติถ้าไม่ฝึกตนเองอ่ะคอยที่จะกระทบกระเทือนเป็นปัญหาตั ว, ต, ว, ต, วตัวอย่างเดคนเดินต้องขยันเรืงนี้กันบ้างมองดูพอตือ่นรนข้นขวยมีผู้ทํามีผู้เป็นตัวอย่างมีผู้ พูดให้ฟังไม่พูดทำให้ดูไม่คงมันอยู่ยังไงเราก็อย่าไปอยู่ในที่แับแคบในโดยที่ไม่ศึกษาเรื่องอะไรเปิดเผยตัวเองดูก่อนยื่นเรืองสติมันเปิดเผยตัวเองแล้วสตินี้ก็หายขวงข่ว ง, งขึ้นมาปิดของที่เปิดเปิดของที่ผิดออกจะเห็นเห็นความหลงเห็นความคิด เห็นนาก้รต่างๆมากมายปฏิกระพานเอาผ่านเอาผ่านไปผ่านไปอะไรมาก็รู à, titles, titles, ้อะไรมาก็รู้มันทัศนศึกษาครบถ้วนทุกรูปแบบทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งสัมผัสทั้งรู้ลดรู้ชาติของอะไรต่างๆความหลงเป็นไงความบูบเป็นไงความผิดเป็นไงความถูกเป็นไงความรักความชังดีใจเสียใจเป็นอย่างไรตอบได้ทั้งนั้นในการศึกษามันศึกษาจริงมันทั่หลง มันย่อยมาเป็นหลงเป็นรู้ได้มาเป็นทุกมาเป็นรูดได้มาเป็นโกรดมาเป็นรู้ได้ย่อยเอาแต่เนื้อไม่เอาเป็นรุ่นเห็นเป็นรูปเป็นน้าย่อยออกเป็นกองขันย่อยออกเป็นกองธาตุย่อยออกเป็นาการย่อยออกความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยย่อยออกไม่ใช่ตัวใช่ตัวลอยไปมันเปิดเผเปิดเผยออกไปแล้วหลุดไปพ้นไป เป็นทางไปบางทีก็ไม่พบทางเพราะอย่าไปยอมตรงนั้นมันมีทางตรงที่ไม่เห็นทางเมื่อเราหลงทางมันต้องมีทางเมื่อหลงทางก็ต้องมีทางไม่ใช่ทางมันหลงมันหลงไปเรื่อยไปมาใช่การความหลงมันทำให้เกิดความลภกำหนานตรงนั้นด้วยถ้าเราศึกษาดีๆมันบอกความผิดมันก็บอกความถูกมันก็บอกจึงเปิดเผย ของเราแล้ไมไปเป็นใครหลอกเราได้ไม่มีใครทำให้เราหลงได้ทำให้เราถูกเราผิดได้ไม่เหมือนการศึกษาทางโลกมันมีเกณฑ์ขี้วัดในตัวเองเหมือนเกณฑ์วัดอะไรต่างๆาความถูกราะก็เป็นความถูกเสมอไ ป, ไปใช่ได้เขามาตรวจสภาพวัดเขามีเกณฑ์ขี้วัด ที่จะเป็นสิ่งที่ใช้ได้ไหมวัดแต่น้องต้อนนตงมีสามสี่โสสะอาดตรงไหนก็สะอาดพร้อมจะนั่งได้พร้อมจะใช้ได้สะดวกห้องน้ำมองท่าก็มีนาม้นาใช่มีขันใช่มีความสะอาดสะดวกสะอาใช้ได้สงบไม่วุ่นวายมีแรงการศึกษาเรียนรู้ศึกษามีสติ แล้วก็ติดแล้วก็ซึมรับได้ถ้าวัดใดมีเกณฑ์ขี่วัดดีๆมันก็ซึมราบได้เราก็ไปศึกษาไม่ใช่มีแต่ความบุนวายมันมีการศึกษาเหมือนสมัยนั้นไปสอนธรรมะที่จังหวัดชัยภูมิเบีร์ร้อยสิบสี่ไปเปิดปฏิบัติธรรมอยู่วัดเจ้าความจังหวัดก็มีนายกพุทธสมาคมมาปฏิบัติมีผู้หลับผู้ใ่มา เราก็พูดความจริงอะไรผิดอะไรถูกมาชวนกันดูตัวเองมีนายกพุทธสมาคามนะสุบุรีเราก็ว่าดีไหมสุบขทีมันก็ไม่ดีโลกเต้กาก็ห้ามเราจะให้คนอื่นห้ามเราเลยจะห้ามเลยสุบุรีมันตรงไหนที่มันเป็นเหตุเพราะสุ ป, ปันยังติ ด, เ พ, ป เ, ปตดเพราะติดมันยังยังอยากเพราะอยากมันยังสุ เพราะสูบมันจึงติดเพราะติดมันยังอยากเพราะอยากมันยังสูบพราไม่สูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูบตรงไหนมันเป็นกิเลสกรรมวิบากตรงไหนเรารู้ว่ากิเลสกรรมวิบากมันคือตรงไหนกันถ้าศึกษามันจะเห็นเงื่อนไขกิเลสกรรมวิบากอยู่ในการจุบุรีอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นวิบากสูบเป็นกรรมติดเป็นกิเลส อยากเป็นมิบาทแล้วจะตัดกรรมตรงนี้มันเป็นมองรอดตรงไหนตัดตรงไหนชวนเกิงๆเพราะเป็นปัญญาชนไม่ใช่อ้อมแอบบอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นมิบากก็เห็นยุติได้ไหมการสู่เป็นกรรมตัดกรรมกับตัดกรรมนี่ตัดตรงไหนก็ตัดตรงไม่สู่เพราะไม่สู่ก็ไม่ติดเพราะไม่ติดเข้ามาอยาเพราะเมื่อยาไม่สูบก็เป็นไปเองเราจะตัดไหมตัดกรรมตรงเนี้ย แล้วตาก็ตัดเดี๋ยวนี้เอาบุรี่มาให้เดี๋ยวนี้อาจารย์สผัสเรามีไฟเช็กอย่างดีราคาแ0ดรอยบาทนี่ไม่ิีอะก็ บ, บุรีด้วยขอมานี่ตัดเดี๋ยวนี้ข้าไหมยกวางให้เลยทำประวัติไว้เอาไว้ที่จังหวัดเจ้าขอจังหวัดเ่อต้องเอากนขนาดนั้นเพราะปัญญาชน ออมาเปิดเราทีเลยโอ้อยยงว่าดีจริงจริงดีจริงจริงดีจริงจรงเอเพอพวกกันพวกกันหมดเปลือกอา้าวมาวัดผมมาวัดผมมาดูวัดที่มีเกนอะไรที่ผมจะได้นำไปใช้ที่บ้านผมผมก็ได้เกนแล้วเดิญขี้วัดทำให้เราดีขึ้นมันอยู่มาอยู่วัดเนี่ยมาได้ดีขึ้น ผมเริงสูบบุรี่ได้เด็ดขาดถ้าวัดไม่มีอะไรที่ศึกษาไม่ให้ดูขอพระคุณเจ้าไปดูบ้านผมเราก็คุยเล่นบ้านเลย <c oughs> อะไรที่ผมมาวัดผมมาดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย <c oughs> เพื่อศึกษาถ้าท่านไม่มีอะไรให้ศึกษาขอที่วนพระคุณเจ้าไปดูบ้านผมเพราะบ้านเขาเป็นโรงแรมเบิร์ตทิมิดโรงแรมผ้าดาว เขาก็คุยได้อนั่นนี่อะไรที่มันต่างเก่าพ้นวาภาวะเดิมเพราะการศึกษาเนี่ยมันต้องมีแน่นอนค่อยหลงมารู้นคอยทุกมารู้นค่อยผิดมารู้จนได้มาสถ า, านของชีวิตเราขึ้นมาได้เพราะเราศึกษามันมีค่ามีคุณมากชีวิตของเราเนะโดยเพราะจิตใจเนี่ยมันถัดได้ยอดเยี่ยมไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานจนเป็นมากเกิดผลขึ้นมา จากความเป็นคนเป็นมนุษย์จากความมนุษย์เป็นพระถ้าถ้าเป็นคนเนี่ยก็คุ้มร้ายคุมดีแต่เป็นมนุษย์สูงขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นพระก็ประเสริฐแล้วกันคนเป็นพระเป็นอยู่ที่จิตที่ฝึกดีไม่ใช่คนอ า, ามรูปแบบรูปแบบก็เป็นเสียงสมมุติสมมุติที่สง์บวชออกจากกุปชาอาจารย์อยากโบวชสวสดยด้าไปมรุสโซซี นาา่าเชื่อใจพอโตเดี๋ยวจะถือมาตาเปิดหิปัญญปุนาวิสิติวัตถสีปลิปุนปันเตปัจปจิกิวลังจินโนสีโอชาถามเข้าไปจนสามารถให้บวชของพระได้แต่เป็นพระเนี่ยเกิดจากพระสธรรมสงฆ์เกิดจากพระสธรรมมีการปฏิบัติ ด, ดีเป็นต้นไม่ใช่เกิดจากโอชาจากอันนี้เป็นอันเดียวกัน สัตถมายโชสุปฏิปฏิคุณนาพิยโตแค่ไหแเราก็ว่าดังๆด้วเสียงด so. ีไม like ่ดังเอาดังๆก่อนนะใ้ราหนอนะนั่นเอาพอๆๆเรียงร่ารู้สอนคนละเกิดจากพระธรรมมีการปฏิบัติเป็นต้นปฏิบัติปฏิบัติยังไงวัดวัดตรง ตรอะไรต้องต่อความหลงมันหลงตรงเข้าไปอย่าอ้อมแงมารู้ทันทีันทุกต้องเข้าไปรู้ทันทีปฏิบปทาออกจะทุกเปลี่ยนความหลงเป็นตัวรู้เปลี่ยนความทุกเป็นตัวรู้มันก็ออกจากทุกได้เสมอเสมอต้องตอบตัวเองต้องต่อการงานต้องตอต้องอื่นต้องต่อบศีลต้องต่อบธรรมไม่ผิดความหลงเป็นขวาไม่ถูกต้องความไม่หลงเป็นความถูกต้อง ความทุกข์เป็นความไม่ถูกต้องความไม่ทุกเป็นความถูกต้องควมโกรธเป็นความไม่ถูกต้องความไม่โกรธเป็นความถูกต้องออกจากทุกข์ถ้าไม่ทําตรงนี้มันไม่ใช่พระสงค์อาจจะตกนรกพระพระตกนรกทายกเป็นเตจแตงที่เขาว่าเราจึงมีการศึกษากันมาชีวิตของเราเพื่อเรื่องนี้จรงิจรงๆอย่างพระโพธิสัตว์สีรธธะธาเกิดมาเราจะเป็นหนึ่งมาะไร จนพูดว่าเป็นชาติสุดท้ายของเราไม่มีชาติอื่นอีกแล้วเราดยซฉเราเราจะเป็นอะไระมั่นใจขึ้นมาอา๋งพวกเราลูกพก่อนี้แม่นี้เราคนหนึ่งและวแบนี่ยก็มีความมั่นใจบ้างโดยเพราะมีครูบาอาจารย์สอนโอเถียนกท่าท่าทยมีพระเจ้าเป็นบรมครู ไม่มีตรงไหนหน้าตำหนติเตียนศึกษาพุทธประวัติจากได้บวชเป็นเนได้เรียนรู้พุทธประวัติอ่านพุทธประวัติโอ้ยศรัธทธาแล้วก็มั่นใจนี่เราภาษาโลกก็น้อยอ่านอนุพุทธประวัติภาษาโลกแปดสิบรูปมีอกตตะคะในทางใดอา่านประวัติของท่านดูแล้วก็นํา ความสอนท่านมาสอนตัวเองไม่มีพ่อเมื่อเสีกออกไปเป็นเนนเป็นเหยียดข้ามมีลักษณะอย่างไรมิท้เป็นลักษณะอย่างไรมิทถียมเป็นลักษณะอย่างไ ร, รบบความสเร็จมีลักษณะอย่างไรความเก็บหายมีลักษณะอย่างไรตะคุณที่ตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะเหตุใดตะคุณที่ตั้งอยู่นานได้เพราะเหตุใดแล้วมาสอนเรา ฝ่าวันความทุกข์ยากลําบากได้ไม่มีพ่อสอนเอาธรรมมาสอนตัวเองคนเจ็ดข้ามีลักษณะอย่างไรหนึ่งมักกล่าวว่าหนาวนักไม่ทําการงานสองมักกล่าว่าร้อนนักไม่ทําการงานสามมักกล่าว่าหิวนักไม่ทําการงานเหนื่อนนักไปทําการงานมักกล่าว่ายังเช่าอยู่ไม่ทําการงานถ้าใครอ้างอย่างนี้ลักษณะนั้นแหละคือคนที่เกียร แล้วก็เอามาสอนตลอดเลยก็ไม่อ้างอยนี้เลยเวลาใดที่เว็หนาวเวลาใด ร, ร้อนเวลาใดหิวไม่ทํางานมาชาตามไปอแต่คนที่มังคั่งอยู่นานได้เพราะอย่างดเน้นรู้จักซ่อมแซมพัสดุที่คําค่ามาเลยบ้านหลังคาบ้านมาล้วอข้าววัวข้าวควายเป็นไง ลายคลิกสายขอสายกำลังมังเก่าเปลี่ยนใหม่อะไรที่ไม่ดีซ่อมแซมขึ้นมารักษาสมบัติรับเตียงไม่มีให้มีขึ้นมาอะไรบ้านไม่มีหาให้มันมีขึ้นกะวงตกกะก้ากองข้าวไม่คานเครื่องใช้ไม่สอยจอบเสียมมีไหมหาให้มีไม่มีไปหาเงินหาทองมาซื้อตำนาขายข้าวก็ทำได้ สิ่งที่หายไปแล้วเอาคืนมามีดไปไหนเสียงไปไหนถามหาใครไปไหนบาดีมันก็ได้คืนมาถ้าเราไม่หาของที่มันหายไปคืนมามันก็ชบพังเลยในบ้านในเรือนต้องเป็นผู้มีศีลอย่าเป็นเรื่องข้ามาข้าครับหนีอย่าเล่นการารืองอย่ากนเล่ามอย า, อาพยายามประครับประคองมันก็ดี นี่โอ้ยคำสอนพุทเจ้าเนี่ยสอนหมดทุกอย่างตอนมีปัญญาจะปฏิบัติต่อกันยังไงเรียนมาสมัยเป็นเลยน้อยเอามาใช่มันก็สำเร็จแต่เราก็ได้หลักฐานนั้นกฎเกณฑ์ชีว้วัดในการใช้ชีวิตมันก็มั่นใจยิ่งมาปฏิบัตธิธรในอย่าง ยกเงิสร้างจังหวะหลมพระเทีอนสอนเนี่ยโอ้ยสุดหัวใจเลยสุดหัวใจมากๆมอนเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอาอะเดียวับรู้สึกรู้สึกรู้สึกมันก็ไปหลงมันก็โอ้ดี็ลยแลันก็ขยันเวลาไปไหนหว่วงแต่การเนี่อยากไปไหนยังฏิบัติอยู่กับที่ตัวเอง เวลาได้ฉันอาหารไปกับกติวางบาทลงนั่งสร้างใจว่าโอ้ยสุดหัวใจสุดหัวใจโลกนี้เราอยู่คนเดียวเวลาใดวันไหนวันไ ด, นไดตื่นก่อนโมเนี่ยโอ้ยชื่นใจเวลาไหนวันไหนตื่นที่หลังเขานี่จะมันขีโทษตัวเองตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรก็เหมือนทุกวันนี้อมองใบไม้ ถาใบไม้เลียบเยบ็บเออที่สามแล้วเป็นมันมองออกไปข้างนอกกตินำข้างตกกลงยกตกตกอย่างนำข้างมันเลยมีนำข้างนะนำข้างเยอะนำข้างมันตกจากไปบ้างมันหยดลงจากใบไม้ข้างบนตกมาใส่ไปตองข้างล่างมันก็ดังป๊อกป๊อกป๊อกเออได้เวลาถึง บางทีที้ยินเสียงลองเท้าของกติข้างๆดังแทบแทบโอ้ยไม่ได้แร้วมาเอาตื่นขึ้นมาเขาเดินดตาตะเกียงมัามนมองไปเห็นแสงตะเกีย ง, ยงผาน้าข้างสลัวสลัวโอ้ยรู้สึกว่าเฮี้ยนเียนตัวเองไม่ประมาดในสิ่งที่ไม่ประมาทไปไหนก็ยังรู้จัมันก็เป็นขอบัปกนกำึ้นมา การปฏิบัติธรรมมันมีเกณฑ์ในตัวล่วงพ้นราว่าเก่าไปของเกิงต้องไปอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยวุ่นสาวๆมาเช่นนั้นสร้างสติมันก็มีสติเนี่ยพลิกมือขึ้นรู้สึกยกมือขึ้นรู้สึกแต่มันก็ไม่ไม่มีหลงนะอ่ะเพราะมีสติความหลงก็ไม่มีนะ่ะมันก็ตรงกันพอดีแหละนี่จึงมี มีของจริงอย่างเนี้ยของไม่จริงก็เห็นนั่นแะความไม่เที่ยงมันก็จริงแบบความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็จริงแบบความเป็นทุกข์ไม่จริงแบบความไม่เป็นทุกข์เห็นเห็นเป็นคู่คู่ควมหลงอมมีอยู่คนความไม่หลงเห็นเป็นคู่คู่ไม่จนเลยนี่คือการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ต้องเชื่อใครแล้วอำดู พระเจ้าสอนให้ทำดูให้ดูให้เห็นกับตาเราเองเพียงแต่ได้ยินอย่าไปเชื่อให้ดูก่อนแล้ดูก็อย่าเพิ่เชื่อให้สัมผัสดูก่อนหเห็นกับหูได้ดูกับตาได้สัมผัสด้วยมือจึงจะมั่นใจเกิดศรัทธาขณะไม่ท้อถอยอย่างนี้เรียกปฏิบัติธรรม